ครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายใครควรได้อาสนะอันเลิศ น, น้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้บวชจากตระกูลกษัตริย์ควรได้อาสนะอันเลิศ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 พระพุทธเจ้าค่าภิกษุผู้ได้ปฐมฌานควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินธบาทอันเลิศภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่าภิกษุผู้ได้ทุติยฌานควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศ ภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้ได้ตาติยฌานควรได้อาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศบินทบาทอันเลิศภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้ได้จะตุถฌานควรได้อาสนะอันเลิศน้ําอันเลิศ บินทบาทอันเลิศภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุผู้เป็นพระโสดาบันควรได้อาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศภิกษุบางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า